ในการเจริญพัุ์กรรมฐานตามเวลาสมควรคืนนี้ผู้เรีมรณานุสติกรรมฐานพูดไปพูดมาพอตอนหนึ่งคนพูดจะบรณากแล้ว <c oughs> เกือบไปเพรา ะ, ะเป็นนั้นว่าเรื่องความตายเป็นของธรรมดาวันนี้ก็ขอพูดเรื่องอนุสติความเจียมรณาเนี่ก็แป็นอนุสติ ท่านแรกจริงๆในยบรรดาญาโยมพุทธบริษัทการเรียกรรมกรกรมฐานนี่ถ้ารู้จักเจริญจริงๆเป็นของไม่ยากยากไหมกรรมฐานไม่ต้องเสียภาษีใชไ่ไม่ต้องหลบภาษีคำว่านุสติเปอตามนึกถึง <c oughs> ถ้ามีความเข้าใจจริงๆแค่นุสติเท่านี้ก็ไปนิพพานได้ตอนนั้นนุสติมีบทหนึ่งที่เรียก ด้านนว่าอุปสมานุสติกรมฐานคําว่าอุปสมานุสติกรรมฐานนี่แปลว่านึกถึงไม่ผ่านเป็นอารมณ์ใช่ไหมก็เป็นของไม่ยากอันดับต้นของบรดาแต่พุทธบริจัตใช้มรณ า, านุสติกรรมฐานเป็นพื้นฐานก่อนเพราะว่าการเจริญกรรมฐานเข้าถึงมากผลต้องมีมรณ า, านุตินําคือการนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ แต่การเนึกถึงความตายนี่ไม่จําเป็นต้องนึกทั้งวันเป็นในเพียงตื่นขึ้นเช้าตั้งใจจะไหว้พระจะสวดมนต์หรืไม่ก็ตาม <c oughs> ให้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้อาจจะต้องตายตามธรงดาของคนเรามันต้องตายแน่นอนจึงคิดตามควา ม, มเป็นจริงว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแตความตายเป็นของเที่ยงความตายจะปรากฏเมื่อไหร่มาก็ได้เราไม่เอาแน่นอนไม่ได้ อย่างที่เป็นสการีกาปคุณลูกศิษเจ้าว่าความตายที่มีขึ้นในรู้แต่ที่ว่าไม่รู้ก็เพาว่าไม่ทราบม่าตายชาวตายสายตายป่ายตายเที่ยงตายเวลาไหนกันแน่ดวงความเมื่อเราคิดถึงความตายเราก็ไปเพื่อสมาธิชีวิตการนึกถึงความตายเป็นมรณานุกติกรรมฐานต่อไปก็ใช้พุทธานุกติธรรมมานุกติสังขานุสกติ อนุตตริติเราไปตามนึกถึงพุทธานุตตร์ขึ้นนึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุตตินึกถึงพระธรรมสังขานุตตินึกถึงพระสงฆ์การนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีนึกถึงด้วยความเคารพเอาแค่นึกธรรมดานะถ้าจะภาวนาด้วยก็ตามใจถ้าจะภาวนาก็ให้นึกถึงแต่ชอบจะนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ภาวนาพระพุทโธ นึกถึงต่อธรรมแต่ภาวนาว่าธรรมโอนึกถึงต่อสงฆ์ภาวนาว่าสังโฆยังก็ได้หรือว่าจะนึกถึงเจ้าพ่อพระพุทธเจ้าตอนแรกก็นึกถึงทั้งสามองค์คตอนช้านอย่างพระพุทธธรรมประสงต์แต่ว่าตอนภาวนาจริงๆภาวนาว่าพุทโธก็ได้เป็นแค่นึกถึงพระเจ้าองค์เดียวถึงก็ใช้ได้รว <c oughs> ความว่ามื่นึกถึงความตายแล้วก็ต้องมีความรู้สึกว่าการตายครั้งนี้เลาจะคนตายอย่างไม่ไร้ผล คือไม่ยอมไปสู่สุคติจะไปสุคติอย่างเดียวการที่ไปสู่สุคติอย่างน้อยก็มีโลกสวรรค์เป็นต้นอย่างกลางก็กลมอย่างสุดท้ายก็นิพพานแราจะไปสุคติได้ก็ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่คุ้ม <c oughs> การนึกถึงชื่อพระพุทธเจ้าก็ดีนึกถึงพระธรรมก็ดีนึกถึงพระสงฆ์ก็ดี เพีงแม้ว่าจิตจะไม่มีความเรื่มใสมากมนุษย์อยากให้มาช่วยเหลือก็สามารถไปสวรรค์ได้อย่างมัจจุนลีเทพบุตรก็ตามแล้วก็สุปฏิคีตาเทพบุตรก็ตามแล้วสองคนนี้เป็นตัวอย่างเพราะว่าทั้งสองคนนี้ไม่ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพเพียงแค่นึกถึงขอพระพุทธเจ้ามาช่วยหายป่วยเท่านั้น แต่ว่าเมื่อคึดถึงไปนึกถึงมาพระพุทธเจ้าก็ไม่มาช่วยหายป่วยถึงก็ตายแต่ก็ตายทั้งทั้งที่ทจิตใจ ย, ยังนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เพียงเท่านี้เจ้าสองคนต่ายคนก็ตายไปเกิดบนสวรรค์เช่นดาวประเด็นสือว่าโลกและก็แต่สองคนนี่แหละต่อมาเมื่อสมัยเปรีเทวดาแล้วได้พบพระพุทธเจ้าฟังเทศจบเดียวเ ป, ป็นพระโสดาบันเหมือนกัน ในั้นขบันดาท่นพุทธบริษัททุกคนในตอนเช้าจะนึกถึงความตายก็ไม่ประมาทในชีวิตต่อไปก็คิดว่าเราต้องการพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งหลังจากนั้นจ่ายอดีตกำลังถึงนึกถึงที่พระพุทธเจ้าก็ใช้ได้ถ้าภาวนาก็ภาวนาว่พาพุทโธก็ได้สัมมาอะระก็ได้ริเมหมัมจต่พอมาภาวนาว ย, ย, ย่งไงก็ช่างตัใจนึกถึงพุทธเจ้าก็ใช้ได้เหมือนกัน ต่อไปเมื่อจิตมีความมั่นคงในรพระพุทธเจ้าพระธรรมในพระสงฆ์แล้วก็คิดต่อไปว่าตามนิองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงแนะนําว่าคนจะตัดอวัอยภูมได้จริงๆต้องมีสินห้าเป็นเครื่องคําจุนต่อไปเขาพยายามรักษาสินห้าครบถ้วนสินห้านี่จะรักษาวันเดียวครบแต่มันไม่ได้ต้องพยายามฝึกใหม่ๆก็มีการลืมบ้างอะไรบ้างเป็นต้น ในเมื่อทุกคนนึกถึงความตายไว้เป็นปกติมีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นพึ่งกำลังเป็นกำลังใจแน่นอนอาจิตใจอย่างลงถึงพื้นศีลห้าเป็นปกติอย่างนี้ถือว่าตัดอบายภูมิได้แล้วเป็นพระอริยจเจ้าตัองเบื้องต้นคือวสดาบันการนึกถึงศีลถ้าเรีลานุสติธรรมฐานวันนี้พูดถึอนุสติต่อไปถ้าราจะไปนิพพาน ก่อนึกถึงอุปสมานุติกรรมฐานเอาแค่นุติกะพอนะวิ่งแถวเดียว อ, อุปสมานุติกรรมฐานนึกถึงปณิพันธ์เป็นอารมณ์ <c oughs> ถ้านึกถึงปณิพันธ์เฉยๆไม่ทําเพื่อปณิพันธ์ก็ไปไม่ได้เหมือนกันกรณีการทําเพื่อปณิพันธ์เบื้องต้นก็คือหนึ่งนึกถึงความตายสองเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ด้วยเสามมีศินบริสุทธิ์ศินห้านะหรือกําหนดสิบก็ได้แต่ความจริงบริสโสดาปันในที่จริงต้องเป็นกำหนดสิบแต่ว่าแค่สินห้าเราใช้ได้บริสโสดาวันท่านอยากบริสโสดาวันมีสามขั้นอย่างหยากอย่าง ก, กลางอย่างละเอียดไออย่างหยากก็เกิดเป็นคนอีกเจชาติปรินิพานอย่าง ก, กลางเกิดเป็นคนอีกสามชาติปรินิพาน อย่างละเอยเกิดเป็นคนในชาติเดียวยกัินิพพานเสมอกับพระสิทาครามีกระ้ความว่าเมื่อเมื่อเราทรงคุณธรรมสมอย่างคือบนนรรนุปณิตินึกถึงความตายนึกถึงเมตไธชนนาค ม, มีศีลอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลผู้มีภาค พ, พื้นเพื่อเข้าถึงนิพพานแล้วถ้ามีอารมณ์ใจอย่างนี้คำว่าถอยหลังลงมากลับเป็นสาธุชกลับเป็นปุถุชนต่อไปไม่มีอีก ก็มีทางเดียวคือทรงความไปอริยชนคนที่มีความสะอาดทุกเลิกนะห่อว่าคนนี้มีความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ขั้นต้นคือพระโสดาบันในเมื่อทรงอารมณ์พระโสดาบันแล้วก็ถือว่าบุคคลนั้นมีสิทธ์เข้าพระนิพพานว่าคําว่าพระโสดาบันในแทนแปลว่าเป็นผู้เข้าถึงกระแสพรนิพพานต่อไปแล้วก็นึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าอุปสมานุติกรรมาฐาน เน้อผลนิพพานเนื้ออารมณ์ท่างยังไงก็ตั้งใจไว้อย่างเดียวว่าขึ้นชื่อว่าตามความดีทุกอย่างเลยไปนิพพานอย่างเดียวการให้ทานก็ให้เพื่อหวังนิพพานการรักษาสิ่งกรักษาเพื่อหวังนิพพานการเจริญภาวนาก็ภาวนาเพื่อหวังนิพพานจิตมุ่งนิพพานอย่างเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จะไปนิพพานโดยตรงๆได้ง่าย ก in ็ต้องมีอารมณ์ไม่ทิ้งกายยกรตานุสติกรรมฐานกับออสุภกรรมฐานควบคำว่ากายยกระตันสติคือนึกถึงกายเป็นอารมณ์อสุภกรรมฐานนึกถึงความสุขบกโสโครเป็นอารมณ์ทั้งสองอย่างนี้ควบคู่กันคือกายยกระตานสตินึกถึงกายอสุภกรรมฐานนึกถึงความสุขบกให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริง ว่ร่างกายของเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีร่างการสัตว์ทุกคนก็ตามมีความสกปรกโสโครกเหมือนกันไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สะอาด จ, จริงผมก็ดีขมก็ดีหนังก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีกระดูกก็ตามไม่มีอะไรสะอาดมันเต็มด้วยความสกปรกโสโครกด้ความรู้สึกอย่างนี้มันยังมีแค่ชโชคลาภกิตเดียวก็ช่างมัน พิดบ่อยๆไม่ช่าลงก็ชินในเมื่อร่างกายทุกร่างกายจะมีความกระโปรงโคลแล้วก็ยะมีส่วนที่ไม่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนคืออนิจจังอานิจจังมันมีสภาพไม่เที่ยงไม่มีการทรงตัวมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วมีการแปรปลีนก็ค่อยแก่ไปจนถึงกลางในที่สุดก็มีการแต่สลายเพื่อตายในสุด ก็มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าถ้าเรายังมีร่างกายอย่างนี้เสมอเลยต้องทนทุกขเวทนาจากร่างกายที่หาความเที่ยงไม่ได้ต้อทนทุกข์กับร่างกายที่เต็มได้วยความสุขตะกโลโครกแต่นมีเรามีร่างกายก็ที่เรามีแดงื่องความทุกข์ขึ้นชื่ว่าแดงื่องความทุกข์เราจะมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย เพื่อนที่วมีเจกตการที่มีร่างกายเต็มด้วยความสุขโสงบสงบก็ดีร่างกายที่มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็ดีร่างกายที่เป็นปัจจัยเกิดเป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์ก็ดีเราจะมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายถร่างกายนี้พังมาไรเราขอไม่ขอมีร่างกายอย่างนี้อีกขอพระนิพพานจุดเดียวหลังจากนั้นก็ทําใจเพื่อให้ถึงพระนิพพานคนนี้ประนิพพานแล้วท่านใหญ่ก็หนึ่งทานการให้ การให้ทานนี้ไม่ใช่มีการทุ่มเทไม่ใช่มีน้อยให้มากหรือมีมากใครมากที่นี้ก็ไม่ควเวลาจะให้ทานน้ำบริจาคทาก็ต้องดูซึีก่อนว่าการให้เปคราวนี้เราจะเดือดร้อนไหมถ้าต้องให้ให้แล้วเดือดร้อนไม่ควรจะทำเมื่อทรัพย์สินยังไม่มีแต่ให้แต่กำลังใจคิดว่าจะให้มีอยู่ก็ใช้ได้ถือว่าเป็นจารคานุสิกุณฑายเป็นการตัดโลภะความโลก ดังการให้ทานท้องพิจารณาก่อนอย่าให้มากเกินไปให้แต่คนที่เราไม่ได้ร้อนก็การให้ทานเป็นใบจ่ายตัดรูพระความโลภ ก, กิเลสตัวต้นคือรากเง้ า, ากิเลสตัวต้นเราตัดแล้วด้วยการให้ทานดินราก า, รากิเลสตัวที่สองคือตสะถห้พยายามรักษาสินเพราะสิ่งทุกคนที่ยังมีได้ต้องมีคุณธรรมสองอย่างคือเมตตาความรักกลไกความสงสาร แตะระขาดเมตตาความรักขาดกุนายความสงสารฉินส่งตัวไม่ได้ตอนนี้เมตตาความรักกุณายความสงสารไม่จะทรงตัวไม่นายก็ไม่เป็นไรให้มาทรงตัวได้วันหนึ่งประมาณสักคึ่งชั่วโมงหรืชั่วโมงอย่างนี้เรถือว่าพอ <c oughs> ต่อไปก็เกิดอาการเคยชินก็ทํำลายพโาโทสารไปทีละน้อยน้อยน้อยทียยย่สุดโทสาก็หมดไปหรือยังไม่หมดก็ตามทีมันก็เบาต่อไปก็ตัด ราชาเก้ากิเลสตัวที่สามคือโมหะคือความหลงโมหะคือความหลงเราตัดแล้วแต่ตอนต้องเห็นว่าร่างกายจต็มีความสกปรกโสโครกร่างกายเป็นนิจังเป็นของไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ขังก็มีความทุกข์ร่างกายเป็นนัตตาที่ต้องตายเนรศตัดโมหะแล้วครวงความวาราชเก้ากิเดสตทีสามในการเราตัดตหนึ่งกับตัดโลภะในการให้ทานก็ค่อยตัดตัดโทสด้วยการรักษาศีล ตัดโมหะด้วความโลงในการเจริญภาวนา <c oughs> การค่อยๆตัดแบบนี้เบาๆจะหักผมนะแต่อารมณ์ที่ส่งไม่ได้จริงๆคือหนึ่งคิดว่าชีวิตนี้ต้องตายไม่ต้องคิดทั้งวันนะคิดวั น, นครั้งเดียวก็พอเมื่อคิดถึงความตายก็ยึดพระพุทธเจ้าว่าทำพระอริยสงฆ์ไปนีพึ่งกันนบายภูมิรลบ้องกันบัยภูมิแน่นอนในการรักษาสิบห้าหรือกำหนดสิบอย่างใดอย่างหนึ่งตามชอบใจ อย่างนี้ถือว่าเราเดินทางเข้าสูน่นิพพานสายเดียวไม่ไปไหนอีกหลังจากนั้นเขาให้ทานในการตัดโลภะเอาเ่าๆพยายามทรงศีลในบอยสุดพยายามระ ง, งับโทสะแบบเป่าๆ เ, เอโมหาตัดได้การไม่หลงในร่างกายเมื่อทำอย่างนี้จนชินถึงแม้ว่าความโลภยังมีอยู่บ้างความโกรกก็ยังมีอยู่บ้างความหลงในร่างกายก็ยังมีอยู่บ้างในยาปกติ แต่ว่เวลาวาระที่จะเข้าถึงความตายจริงๆตอนนี้ผลใหญ่จะเกิดใ น, นขณะที่ร่างกายจะเข้าถึงความตายทุกเวทนาไม่ก็มากในเมื่อทุกเวทนาจัดร่างกายก็ไม่มีความสุขในเมื่อร่างกายไม่มีความสุขในตอนนั้นมันเจ็บต้นมันปวดนี่อะไรก็ไม่สะดวกทุกอย่างจะนั่งจะจะนั่งก็ไม่เป็นสุขจะนอนก็ไม่เป็นสุขกินก็ไม่สบาย เมื่อเกิดการเบื่อหน่ายในร่างกายเมื่อความเบื่อหน่ายในร่างกายเกิดขึ้นก็เกิดไม่ห่วร่างกายไอ้ตัวที่มีอาการเคยชินเห็นว่าร่างกายเต็มด้วยความสกปรกโสกมันเป็นทุกข์อย่างนี้ก็เกิดขึ้นถ้าอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นถือว่าเบื่อร่างกายตามการปานิพานบรรดาญา่าจนหลายอยู่ที่ร่างกายตัวเดียว ถ้าเวลานั้นเราไม่เราไม่ประสงค์ในร่างกายคือมีความเบื่อหน่ายในร่างกายของเราว่ามันเป็นทุกอย่างนี้ถ้ามันตายลงไปเวลานั้นทันทีจะไป น, นิพพานทันทีเพราะ ก, การปฏิพันธ์มีจะมีข้อเดียวที่จะไปได้คือสกายยะติติและมรณาตุสิกรมาทานตัวตัวอย่างพระโคดิกะเอาแค่ตัวอย่างไม่ต้องทําเหมือนท่านนะ <c oughs> ถ้าพระโคดิกะได้ท่านป่วยยิ่งเบื่อร่างกายยิ่งร่างกายเป็นศัตรู ท่านป่วยได้ชาสมาบ่ายก็จริงแหละแต่ว่าชางอสลายตัวในเมื่อได้ชาหนึ่งสองสามบางครั้งได้ห้าหกครั้งก็ชาสลายตัวบ่อยๆท่านก็ตั้งใจคิดว่าร่างกายมันไม่ดีก็ไม่สามารถจะทรงดานชานได้ดีเพราะร่างกายมันป่วยทีหลังต่อไปถ้าร่างกายมันกํากลังดีขึ้นถ้าการคลายป่วยขึ้นเราจะรวบรวมกําลังกายกาลังใจให้ทรงชา ถ้าจิตทรงฌานดีแล้วหทธิ์เชิดคอขอึ้นไปเพราะการตายในฌานอย่างเร็วก็ไปเป็มโรคดีกว่าการเกิดเป็นมนุษย์แต่ความจริงเวลานั้นท่านเบื่อหน่ายร่างกายมาก <c oughs> ต่อมาพมือร่างกายใคร่ความป่วยท่านก็ร่วงลงกลังใจเข้าที่ฌานจะมาบัตตามทัควรแล้วเรามีความรู้สึกว่าขึ้นยี่ห้อกายเร็วๆอย่างนี้ไม่ต้องการอีกต่อไปแล้วก็เชิออดคอจันที เมื่อเชื่อคอตายขณะบุคคลที่แท่างกลระตามพระบาลีว่าบุคคลใดถ้าไม่โหร่างกายบุคคลนั้นเป็นพระราหัน <c oughs> ว่าตัดสินใจอย่างนั้นเท่ากับเป็นพระราหันเพราะเมื่อการเชื่อคอตายตายแล้วไปไหนแล้วไปนิพพานพอในตอนนั้นก่อนพญามาร ก, ก่อนท่านจะเชื่อคอตายพญามารเห็นเข้าก็คิดในใจว่าพระองค์นี้จะเกินวิสัยของเราไปแล้ว ้็คนที่เตรียมฆ่าตัวตายย่อมไม่อะไรในชีวิตจะคิดถึงของร่างกายไม่มีในเมื่อไม่อะไรในชีวิตอย่างนี้ก็ปฏิพานได้ง่ายท่ญญาญจะเข้ามาห้ามเองกเปลียนว่าท่านจะไม่เชื่อก็ไปเข้าไปหาพระ พ, พุทธเจ้าแปลร่างกายเป็นบุคคลร่างกายสวยไม่ร่างมีถิวเหลืองเมื่อเข้าไปแล้ก็กลับตูนองสมเด็จพระบัณฑิตแก่วเพราะว่าเวลานี้ลูกศิษย์ของท่านมีนามว่าโคติกะว ร, รเชื่ิดคอตาย ขอท่านจงไปห้ามเพราต้องการให้โกติกาหวังผลใหญ่ถึงความเป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงต่อไปขณะที่พยามามนเข้าไปกราบทูลพระเจ้าเป็นเวลาทอดีที่พระโกติกะเชิออดคอพอดีองค์สมเด็จพระจินทร์ศีทรงทราบก็ามาปฏิบัติตามหลังจากนั้นก็ทรงชวนพระมาเยี่ยมศพพระโกติกา ต่อจากนั้นไปพระก็ถามว่าพระโคติกาไปไหนพระเจ้าของบอกว่าพระโคดิกาปฏิพันธ์แล้วเห็นไหมนี่ใครอ ย, ยากปฏิพันธ์นเร็วๆวันพวงนี้ก็เชื่ยคอตายถ้าใจเชื่อก็ใจให้ไกลปัดเทศนะท่านที่ไม่หามศพไปง่ายๆนะกระรองกวามเอาอย่างพระโคติกาจะไม่ใช่เชื่อคอให้มีความรู้สึกอย่างพระโคติกาว่าร่างกายมันเป็นโทษร่างกายมันเป็นทุกข์ เรามีทุกข์เพราะความหิวเพราะมีร่างกายเรามีความทุกข์เพราะหนาวก็เพราะมีร่างกายเราร้อนเป็นทุกข์ก็เพราะมีร่างกายเราป่วยไข้ไม่สบายก็มีร่างกายเราแก่ก็มีร่างกายที่เราจะเป็นนี่ใครก็มีร่างกายเป็นต้นถูกไหมเฮ้อเองเป็นผีไม่ต้องเป็นนี่ไคร ก, รก็เอความมาทุกทุกอย่างที่มีขึ้นบ้านสายร่างกายเป็นเอง แต่ได้เขาคิดว่าในเมื่อร่างกายเป็นโทษอย่างนี้เราจะมีร่างกายมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายต่อไปชาติหน้าที่จะเรียบร่างกายอย่างนี้ไม่มีอีกจิตใจตั้งไว้อย่างเดียอมิตรัยที่ว่าอุปสมานตนะิกรรมฐานเนี่ยคิดอย่างนี้สักวันสองสนาทีก็พอตื่นขึ้นเช้าคิดอย่างนี้ตื่นใหม่ๆเอาคิดสักหน่อยพอใจเริ่มฟุ้งซ่านกันเลยพอนท่านจะจะนอนก่อนจะหลักคิดสนิดหนึ่ง ใจก็อยู่พุ่งไส้ก็เลยเอาแค่นี้แหละพอขอยืนยันว่าคิดเป็นแค่วันละสองนาทีก่อนหลับสอ น, นาทีก่อนตื่นสองตื่นใหม่ๆสอง น, นาทีอย่างนี้ขอยืนยันนะทุกคนถ้าเวลายาตายไป็ระารแน่ปฏิภาแน่นอนเราไม่ตัวอย่า ง, ยางเยอะแล้วตอนนี้ไปก็าบรรดาแต่พระตบวรสัปนยัยตั้งใจสมาทานสิงสมาทานมันกรรมฐานคิดว่าจะพูดไม่ไหวว่าพูดไม่ได้ไรเงี้ย <c oughs> มันเป็นจีิงเันนีแปลกเกนี้ faith. Okay.